วันนี้ก็เป็นวันที่22กรกฎกกาคม2526ถ้าจดหมายที่ตอบตอบนี้อาจจะเป็นจดหมายที่ค้างมาจากพศ อ, อ, อื่นก็ได้นะวันนี้ขอตอบจดหมายของใครลนะ่ะเยี่ยมก่อนเรื่องจดหมายนี่มันก็อละพอ่ออยู่เยอะนะมันอ่านยากๆเหมือนกันวันทีก็ท่านเขียนมายาวเลยถามน้อยของดวงพร ลูกดวงพรอะไรแต่นาจกุลอะไรเนี่ยอะไรพรสุรกุลแล้วยังไงแม่เขียนเขียนอ่งงา น, นง่ายดีนุยอ่าที่อยู่ก็กคือหนึ่งหกหนึ่งแปดทับหนึ่งขีดสองอะไรอินเนชิริพร พ, รพันเออที่ไหนล่ะ ตำบลบางจากอำเภอพะการน้อหนวยแม่ไม่เขียนยากยากเขียนอง่างๆยๆหน่อยที่ลูกเอ้ย <c oughs> จดหมายฉบับนี้เขาบอกร้านสิริพรพันโออขี่หมาแม่เขียนแล้วไม่อ่านไม่ออกอ่านไปสีนเนยไปเลยคำว่าร้านเดายากจริงลงวันที่3มิถุนายนพศ2525โอ้ปีที่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร กราบท้าหลวงพ่อปีที่ห้าปีสองสองห้าสองห้าเนี่ยพ่อป่วยทั้งปีนะลูกนะมาสองหกเวลบานี้ก็ยังป่วยอยู่ลูกเลยกราบท้าหลวงพ่อที่กรพบอย่างสูงนี่ต้องอ่านยาวไปนิดวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้ารอยี่ิบห้าได้ท่งจดหมายมากราบเรียนถามหลวงพ่อเพราะว่าลูกรักษาอารมณ์ไว้ไม่อยู่กลุ้มใจเป็นริดเออดีมาก กลัวจะไปพระนิพพานไม่ได้เอออันนี้ดีนี่ลูกต่างใจนิพพานนี่ดีมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเล่มปุกปิ้งก็อเรื่งงองขอคนแก่เมื่อวันที่19เมษายน2525ได้รับหนังสือธรรมวิโมกเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่สิบจากพี่สาวแล้วก็วันที่29เมษายน2525 25. ได้รับเทปชุดมหาชาติ กับพระสูตรจากพี่สาวครบชุดอีกแล้วก็ฟังธรรมวิภาคเป็นชุดสุดท้ายลูกเก่งมากลูกทั้งเทพทั้งหนังสือได้ส่งคืนให้พี่สาวไปหมดแล้วเหลือแต่ธรรมวิภาคอีกชุดเดียวลูกจะพยายามตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนในเทพ ชดทำให้ภาคทุกอย่างเออดีมากลูกดีมากเออตั้งใจจริงเ น, น, นี่น่ารักน่ารักจริงวันหนึ่งจิตของลูกคงจะบริสุทธิ์สะอาดหมดทุกออตั้งใจไว้เงี้ย น, นะแล้วก็หมดสุขจะถึงวนนี้ผ่านเอาละสิถึงผ่านแน่มาบัดนี้ลูกจะรับคำตอบจากนางสือและเทพเป็นที่ถูกใจลูกแล้ว ฟังเทพธรรมวิพานแล้วความเลวของตัวเองนี่ยังมีเยอะจริงๆเห็นชัดเจ๋วเลยลุงพ่อดูตรงจุดหมดทุกอย่างอ๋ลอลุงพ่อวจริงลุงพ่อมาได้ดูมั้งลุงพ่อพูดนะ่ะลุงพ่อดูตรงจุดหมดทุกอย่างคิดถึงจุดหมายที่เขียนถึงลุงพ่อ ลูกนี่เป็นคนหยาบจริงๆที่เขียนว่ารู้จักหลวงพ่อดีแล้วก็รู้จักแค่ที่ลูกฝันเห็นหลวงพ่อว่าสามารถสามารถเปลี่ยนสามารถมีฤทธิ์ได้จดหมายตั้งเขียนมาตัา้งหน้าโอ้โห ให้สามารถมีฤทธิ์เนี่ยลูยลกเอ้ยไม่เป็นเรื่องแล้วหลวงพ่อก็ให้เขาฉีดยาทุกวันให้ลงเกลืออยู่เกลือทุกวันเวลาเนี่ยนี่ให้ลงเกลือเสร็จก็มาพูดให้ลูกฟังนี่นะวันนี้วันที่22กรกฎาคมนะ2526ถ้ามีตรงไหนที่เขียนหรือคิดก็ดีล่วงเกินต่อหลวงพ่อแล้วลูกกราบข อ, อนามส ก, กาลหลวงพ่อขอโทษโด้วยคุหลวงพ่อเจากกา้าค่ะ แล้ลูกจะพยายามใหม่ทิ้งจะสำรวจตัวเอง ท, ทุกวันตามแบบในเทศชุดธรรมวิภาคจะต้องพยายามทรงอารมณ์ให้ได้แบบปฏิบัติที่ท่านผู้เท่าแล้วก็ทำแบบที่ท่านผู้เท่าปฏิบัติให้ได้ให้สมกับที่หลวงพ่อไดเมตตาสงสารลูกมาสอนลูกอสูอเสมอๆความปรารถนาสิ่งอื่นใดทั้งหลายที่ลูกไม่ต้องการ ลูกต้องการพระนิพพานอย่างเดียวลูกเคารพนักถือร้องพ่อมากแม่ลูกรักก้อ น, นี้เป็นที่ถูกใจเยอะฮะเป็นที่ถูกใจพ่อมากเพราะว่าใต้เกื้อการต้องการพรนิพพานในีลูกต้องการเรื่อยๆไปนะต้องการไว้เรื่อยๆน่าท้าใครใครก็หาเราบ้าๆ บ, บ, บมๆอะไรก็ช่างก็เถอะนะ ว่าคนที่ต้องการพระนิพพานเนี่ยเป็นคนที่มีความดีอยู่มากคือมีวิจิตต้องการความบริสุทธิ์ปลดปล o คือจิตทังคนที่ต้องการพระนิพพา น, นจริงๆก็คือหนึ่งจิตทิ้งความโลภทิ้งความโลภทิ้งความทะเยอทะยานที่เกินพอดีออกจากใจใจจะได้ไม่วุ่นวาย <c oughs> สองพยายามทิ้งความโกรธถือว่าความโกรธเป็นอารมณ์ของคนบ้า ไอ้คนโลภมากจริ ง, รงๆก็คนบ้าไม่กันลูกดูแต่ไอ้คนโลภมากที่ไม่มีการยับยัง้งมันทําอะไรเหมือนก็บคนบ้าโกงเขาบ้างคมเหงเขาบ้างลักเขาบ้างขโมยเขาบ้ังทั้งๆ ท, ที่ตายแล้วตัวเองก็ไปไหนมาเอาเอะไรไปไม่ได้เลยดูตัวอย่างคนที่ร่ํารวยแสนจะรวยทุกคนเวลาตายเ้าแบกอะไรไ ป, ไ, ปได้บ้างผู้ชายแม้แต่หนดเส้นเดียวเขาก็ไปไม่ได้ ผู้หญิงแม้แต่ว่าลิปสติกที่ติดปากนิดหนึ่งเขาก็าไปไม่ได้การขยันมันเพียนไม่ใช่ความโลภขยันด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องหากินจากคนจนเป็นคนร่ำรวยแลวไม่คดไม่โกงใครเขื่อนถือว่าเป็นการหาเลี้ยงชีพโดยชอบทำไม่ใช่ความโลภเอาแต่พอดีพอควที่ไม่เกินกำลัง ในอารมณ์ของคนโกรธลูกดูให้ดีนะไอ้คนโกรธคนเค น, นี่ยมันก็คือคนบ้าตามปกติน่าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีมากแต่ว่าพอโกรธกันหน่าเปลี่ยนไปเลยท่าทางตึงตังคมครามพูดจาหยาบค า, ายเป็นลักษณะของคนบ้าจริงๆดันั้คนที่จะไปบริภัยิเขาต้องพยายามหรือทิ้งกดอารมณ์โกรธก่อนกดอารมณ์โลภกดอารมณ์โกรธคือกดไว้ก่อนอยังทิ้งไม่ไหวก็กดยับยัง้ง คืออยากจะลบทำใจไมื่อคนไม่โลบเฉยเฉยอยากจะโกรธทำใจเมื่อคนอย่โกรธไม่ไม่โกรธเฉยเฉยถ้ามันเฉยมากมันได้เฉยนิดหัดเฉยไว้นิดเขาพูดเขาทำที่เราไม่ชอบใจเคยใช้เสียงโต้ตอบแช่จดิยาโต้ตอบหยุดสักหน่อยหนึ่งแกล้งทำไปไม่รู้ทักสามสี่นาที ถ้ามันไม่ไหวจริงๆกับปรุงปั ง, ปงครมความไปตามเรื่องทํำราวหัดยับยัง้งอย่างนี้บ่อยๆนั่นเข้าวความโลภความโกรธมันก็จะสลายตัวหมดกําลังมันง่ขึ้นมาแล้วกดหัวมันไวมันโง่ขึ้นมาแล้วกดหัวมันไว้เมื่อตัดความพยายามยับยั้งความโลภความโกรธได้ความหลงมันก็ดิ้นลุนไปไม่ไหวในที่สุดเมื่อความโลภกับความโกรธ ม, มันไม่สามารถทรงตัวได้ มันไม่มีกําลังโอ้ไม่ขึ้นความหลงก็ตายไปด้วยกันนี่คนจะไปนิพพานนีิลูกรักตั้งใจดีไว้นะตั้งใจให้ดีไว้แล้วก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นสมมุเสมอไม่ช้านะผลมันมาได้คือว่าจะ่าไปเชื่อใครครับว่าวันนี้ผานี่ไกลเกินไปถ้าไม่ไกลก็สําหรับคนเลวนะไม่ไกลสําหรับคนดี อี่ก็จดหมายของลูกขอข้อขอยุติเพียงเท่านี้นะตีปัญหาของใครคนละ่ะคนนี้ชื่ออะไรเขียนมาจากบ้านเลขที่แปดสิบเจ็ดหมู่ที่สิบเอ็ดตำบพลพะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่สิบปกรกฎาคมบาสองันห้าร้อยยี่สิบห้าโอ้โอหคนรวยเอาละมันเอซาห้าที่ผ้ายี่้าเนี่ยมันทำอะไรไม่ดามอยาตายลูกจำให้ดีอะ แล้วก็เจ้าของนี่มันชื่ออะไรนายประแม่พ่อคุณน้อยเขียนจดหมายใช้ลายเซ็นเก็สวยดีเลยแต่ว่าลงวงเล็บแล้วมันนายปราโมททองผานิดก็เ อ, องชั่วหน่อยถ้าเขียนหนังสือไม่บอกที่อยู่ยังเขียนเลือกซื้ออ่นอนออน้งพ่อโยนทิ้งลงตะ ก, กล้าไปหลายร้อยฉบับจดหมายที่วัดตียเดือนเดือ น, เ, อนเป็นร้อยๆ้อยฉบับนะอย่ลืมนะตอนนี้คำถามก็ ไม่มันก็ไม่เป็นคาถามเป็นคำยากว่าผมอยากจะทราบว่ามีวิธีใดบ้างที่จะแก้ความทุกข์ใจของผมให้เบาบางลงและจะมีวิธีใดบ้างที่จะทราบถึงอดีตกรรมซึ่งผัวพันกับบุคคลดังกล่าวไอ้ดังกล่าวเขาตัวไมอ่านอยาวเหยียดไม่อ่านอะ และอยากจะทราบว่ามีวิธีในบ้างที่จะปฏิบัติธรรมขององค์สมายพระพุทธเจ้าให้มีอำนาจจิตพลังจิตเพื่อนำไปใช้ในทางประโยชน์ในสังคมและประเทศชาติอ๋อเรื่องไม่ยากเรื่องนี้ไม่ยากคุณปราโมทไม่ยากเลยเอาจริงรับเปล่าล่อ อยากจะถามว่าคุณปราโมะเป็นคนเอาจริงหรือหรือมีหรือมีแต่พูดจริงถ้าทำจริงจะบอกให้นะไอ้เรื่องทำจริงเนี่ยมันเรื่องเล็กๆอ่ะมันเรื่องไม่ใหญ่ข้อดีว่าอยากจะทราบว่ามีวิธีใดบ้างที่จะแก้ความทุกข์ไอ้เรื่องนี้มันไม่ยากรู้จักไหมว่าทุกข์มันมาจากไหน แต่คนอยกแก้ทุกข์แล้วก็เหมือนกับคนอยกแก้กางเกงอะกางเกงที่มันติดร่างกายเราอยู่ได้เพราะอะไรมันรัดไว้หูรูดหรือว่าความความตึงของอยางเลอกเส้นได้ที่มันรัดตัวเราหรือว่าถึ็มขัดถ้าเราอยกแก้เราต้องแก้ตัวจุดไอตัวไหนมารัดแก้ตัวนั้นกางเกงมันก็หลุดใช่ไหม ลองลุกขึ้นยืนขึ้นมาทีกางเกงของคุณมีอะไรมีเข็มขัดหรือเปล่ามีเข็มขัดปลดเข็มขัดออกก่อนถ้ามีกระดุมขา้างหน้ากระดุมขา้างหน้ามันดึงให้ติดปลดกระดุมออกถ้ามีซิบรดูดซิบออกถ้ามีเชือกรัดดึงเชือกรัดออกแล้วค่อยๆเลื่อกนกางเกงมันลงมันหลุดไหมนะ่ะหลุดไหมสั่งกระจกดูดิไปยืนหน้ากระจกนะ เรื่องลงไปให้มันหลุดแล้วหลุดแล้วมันจะเจออะไรบ้างวันนี้สุดเราจะมองเรามองดูตัวไม่ชัดมองดูในกระจกมันจะชัดว่าเวลานี้กางเกงมันไม่เหลืออยู่เลยแต่ว่าวิธีปลดต้องปลดให้ถูกจังหวะเข้มขัดนะามไปแก้สิ่งที่ผูกแต่มันไม่ออกนะเพราะเข้มขัดมันไม่ไม่ดูผูกเข้มขัดมันมีรูกลัดต้องมันไว ต้องดันสายเข้าไปไล่พดจากรูกลัดดึงออกถ้าหาก็ว่าถ้าเป็นเชื่อกรัดแต่คุณจะดันสายมันก็ไม่ได้ต้องแก้ที่ปมถ้าเป็นสายยืดรัดไว้ดึงสายยืดออกจะไปแก้ที่ปมไม่ได้ถ้าเป็นกระดุมกลัดคุณจะไปแก้ที่ปมดึงยืดไม่ได้เพราะมันไม่ยืดต้องแก้ปวดกระดุมถ้าหากมันเป็นซิปจะไปปลดซิปไม่ออกมันต้องรูดซิป ต้องทําให้มันถูกข้อนี้ชั้นใดการแก้ทุกข์กันจะต้องรู้ว่าทุกข์มันมาจากไหนคือทุกข์ที่มาจริงๆมันมาจากความอยากถ้าเราไม่อยากใช่จริงๆมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เข้าใจไหมสมมติว่าคุณยังเป็นโสดอยู่ แต่คุณก็ยังไม่อยากแต่งงานกับใครคุณไม่อยากจะรักกับใครความทุกข์มันยังไม่มาไอเรื่องนี้ความทุกข์เรื่องความรักมันยังไม่มาถ้าคนไปอ่านจดหมายดูภาพประยุ์ดูโทรทัศน์ว่าเขากลุ้มอกกลุ้ ม, มใจกันเพราะว่าความรักคุณจะนึกว่าเอ๊ะนี่มันบ้าบ้าบ่มบ่มเนี่มันไปกลุ้มทําไมไม่เห็นจะมีอะไรต้องกลุ้ม ถ้าบาังเอิญคุณมีรักเข้าสักคนหนึ่งอีตอนนี้ความกลุ่มมันจะเข้ามาถึงคุณเพราะอะไรเพราะคุณก็จะกลุ่มใจว่าไอเรารักเขานี่เขาจะรักเราหรือเปล่ามันไม่แน่นอนนักดีไม่ดีเขาบอกว่ารักแต่ย่องไปเดินกับพี่กับน้องที่เป็นผู้ชายเราก็เลยใจชักจะไม่ดีคิดว่านั่นมันเป็นคู่รักใหม่ของเขานี่ ไอตัวกลุ่มนั่นมันมาจากตัวอยากคืออยากจะแต่งงานกับเขาถ้าเราไม่อยากจะแต่งงานกับเขาเราไม่กลุ้มแกจะไปเดินกับใครแกจะเป็นไหนกับใครเป็นเรื่องของเธอมันไม่เกี่ยวกับฉันนี่เปวนตัวอยา่างตอนนี้ก็มาไอตัวทุกตัวกลุ่มเข้ามาอย่างวัตถุกัเหมือนกันถ้าคุณไม่อยากได้มันเส็แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะกลุ้มรวมความว่าทุกมันมาจากตัวอยากคุณก็ตัดตัวอยากซะสิ อย่าไปอยากอะไรมันซะทั้งหมดถือว่ามันเป็นกฎธรรมดาร่างกายของเราเกิดมามันจําจะต้องเลี้ยงด้วยอาหารก็หาอาหารตามกําลังทซั์ตามกํากลังบรญญาตามกําลังแรงงานที่เราจะพึงเลี้ยงมันได้กินข้าวกับเกลือร่างกายเขาทรงได้เชื่อหมอได้แต่ว่าอย่าอย่าติดหมอหมอนี่ยแนะนําคนเก่งนัก น, นั่นเขาดีนี่ดีแต่หมอแกก็แก่ไปทุกวันทุกวัน ให้สุดหมอก็ตายหมอก็ป่วยตัวความก็กินตามความสามารถคนโบราณโบราณคนท่องไร่ท่งนาเนี่ยเขากินอะไรร่างกายเขาแข็งแรงเขาไม่ได้วิธีวิถันอะไรมากการกินกันอยู่ร่างกายเขาแข็งดีดีกว่าคนที่แนะนําเขากินอย่างน้นดีกินอย่างนี้เดี๋ยไอ้คนแนะนำนั่นแหละตัวย่าแย่อย่าลืมนะละความอยากจากการกินสันหนึ่ง สองละความอยากจากความฟุ่มเฟือยที่หนึ่งสามละความอยากจากความรักที่หนึ่งสี่ละความอยากให้ร่างกายมันผ่องใสเส้นหนึ่งห้าละความอยากว่าร่างกายจงหนุมไปเสมอปล่อยมันแก่ไปตามสภาพมันแล้วก็หกละความอยากที่จะคิดว่าร่างกายเราไม่มีโลก เกิดละความอยากที่ร่างกายเขาเราจะต้องตายว่าความอยากว่าร่างกายจงไม่ตายได้จะไปอยากมันปล่อยมิอยากจะตายให้มันเชิญตายละความอยากว่าทุกสิ่งทุกอย่างจงอยู่กับเราเสมอต้องคิดว่ามันกับเราจะต้องแจกกันถ้าคุณละความอยากได้หมดเมื่อไร่คนพ้นทุกข์มานั้นมันเป็นของไม่อยากที่คณ ไม่อยากให้คุณพูดมาเนี่ยในลักษณะคุณเอาจริงฉันก็พูดกับคนแบบคนเอาจริงถ้าคนเอาไม่จริงแล้วคุณเป็นโลกสมัยศาสตร์ตายไม่รู้นะคุณจะมาพูดกับฉันนะแต่คุณคุณไม่จริงนะแล้วก็ต่อไปแล้วะมีวิธีใดบ้างที่จะทราบถึงอดีตกรรมซึ่งผัวพันกับบุคคลต่อไปอันนี้เป็นของไม่ยากโอ้โหชาแนลเขาทําได้จะเป็นแสนแสนแล้วในประเทศไทยนี่ย เวลานี้เด็กๆ เ, เล็กๆ ก, ก็เยอะแล้วที่คุณเลยเอานี่ถ้าคุณเก่งจริงนะไปซื้อนังสือวิสุทธิมักพระเดชมาอ่านหรือไม่เช่นนั้นเดีย๋ยวจะหาว่าฉันโฆษณาขายนะังสีของฉันนะมาซื้อนะมาเอาหนังสือคู่มือปฏิบัติกรรมฐ า, านไปจากวัดท่าสูงเอาไปอ่านแล้วก็ทำตามนั้น ถ้าคุณคิดวแบบ่าคุณไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แต่ความจริงรุ่นฉันขึ้นไปนี่ก็ช่วยตัวเองกันแบบนั้นนะแล้วคุณก็ให้ครูเ้าสอนที่วัดที่เขาสอนทุกวันอนะ่ะถ้าคุณเก่งจริงก็ไม่เกินสามวันมันสามารถจะรู้เรื่องได้ไอเรื่องอดีตชาติเนี่ยเป็นของ ก, กลุยเนี่ยและก็อยากจะทราบต่อไปว่ามีวิธีใดบ้างที่จะปฏิบัติธรรมของสมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มีอำนาจจิตมีพลังจิตเพื่อนำมาใช้ในทางประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอันนี้ก็เป็นของไม่ยากเหมือนกันที่ว่าไม่ยากที่ตอนนี้ว่าเอาไปตึกในด้านอภิน ญ, ญาสมาบัติอันนี้ในคู่มือปฏิบัติกรรมฐานก็มีหรือว่าในวิสุทธิมรรคก็มีถ้าเอาตรงจริงๆก็ไปซื้อวิสุทธิมรรค ชีวิตสุที่มักนะที่เป็นพระเดชสำหรับประโยคปลายเข้ารียกัน อ, อามาอ่านเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชนี่คุณทํามันขอไม่ยากเลยฮ้ไม่หนักใจไม่น่าหนักใจเอาละทําได้แนะนําให้นะ ต, ต้องมีคนเอาจริงนะอย่าป้อแป้นะอย่าดีตะคุยนะถ้าดีตะคุยแล้วไม่มีอะไรเป็นผลแล้วเวลาจะปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจริงๆอย่าใช้คําว่าไม่ ไม่สำคัญไม่ได้ทุกอย่างทาสอนพเจ้าต้องสำคัญหมดอันนี้ก็เป็นจดหมายของคุณสมศักดิ์แลห่มม่วงที่บ้านอยู่ที่ไหนอ่ะกองพัาแดกงานสํานักประกรกระทรวงกระทรวงคมนาคมออคนนี้อยากจะบวชตลอดการมานี่คุณเอ้ยการบวชตลอดการมันลำบากนะ คุณถามเมื่อวันข้อหนึ่งความประสงค์ของผมที่อยากจะบวชตลอดการตลอดสมัยนะ่ะมันจะสมฤทธิผลไหมอันนี้มันจะตอบได้ยังไงเลยคุณบันปลาชาไปของหนะักนี่คําว่าบรรปชาเนี่ยมันของหนะักจริงๆเลคุณนะถ้าคุณตั้งใจจะบวชมันก็ไม่ยากแต่คุณเป็นคนจริงอย่างฉันเนี่ย ฉันก็เคยเคยสมัยหนึ่งในเป็นฆราวาสก็เคยกินเงินดาวเงินเดือนมันคล้ายๆกับคุณเนี่ยแล้วเวลาฉันจะบวชที่ก็คิดว่าฉันไม่ได้บวชคิดว่าตั้งใจจะบวชตลอดกาลหรอกฉันคิดว่าฉันจะบวชเพื่อพิสูจน์พระพุทธศาสนาฉันต้องการจะไปเที่ยวนรกฉันต้องการจะไปเที่ยวสวรรค์ ถ้าพระพุทธศาสนาให้ทำให้ฉันไปได้ฉันจะอยู่กับพระศาสนาถ้าพระศาสนาไม่สามารถจะทำให้ฉันไปได้ปไปไม่ได้ฉันก็มาอยู่แล้วก็เวลาบวชนี่ก็เอาชีวิตเขาแรกกับการ ป, รปฏิบัติคนสุดในเป็นสาเดียวแรกฉันก็สามารถไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ทั้งนั้นแล้วก็มันก็รอยอยู่เนี่ย เพราะนันว่าถ้าคุณตั้งใจจริงเนี่ยมันเป็นของไม่ยากแต่ขออย่างเดียวต่ดาบคุณอย่าสักแต่ว่าทำอย่าสักแต่ว่าคิดนะเอาเอาตัวฉันเป็นเด่นพันได <c oughs> ้คุณตั้งใจจริงต้องมีความเด็ดเดียวจริงๆเห็นโทษของการครองอื่นดูว่าไอ้คนที่เขาแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขด้วยความทุกข์ ยังไม่แต่งงานพาะเริ่มรักมันก็มีความทุกข์อยู่คนเดียวก็ทุกข์เริ่มรักเพิ่มทุกข์เ <c> ข <oughs> ้ามาพอแต่งงานแล้วคู่ครองไม่ดีสวยตามสภาพเดิมสุดโสมในสภาพต่างๆจริยาที่เนิ่มโนนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปฉันเจอมาแล้วที่ฉันไม่แต่งงานกับใครกับพระเอกรูปนี้แหละเห็นเขาแล้วมันซุดมันโสมไอ้ดีๆไม่ดีไอ้คนที่เราว่าสวยแสนสวย น่ารักแสนน่ารักแต่พอรับบทซะหน่อยจะไปแต่งงานกัอื่นไม่กี่ปีจะทดมดูอะไรไม่ได้เลยเหนดีนะไม่เสียกไปแต่งงานกับแ ก, บ ก, บกบเข้านะ่ะนี่ฉันเองนะไม่งั้นชีต้องไปประคับประคองผีตายซากนี่ตัดสินใจซะแบบนี้นะพ่อหนูนะมันเป็นเรื่องไม่อยากคือไม่อยากก็อสองถามมาว่าถ้าผมบวชที่วัดใกล้ๆบ้านที่วัดสิงห์บุรี แต่ว่าเวลาเข้าพรรษาจะมาเรียนท่ากรรมฐานที่วัดทศทูนจะได้หรือไม่อันนี้ไม่ถูกต้องในเข้าพรรษาเนี่มาเรียนกรรมฐานมันจะไม่ถูกตามหลักพระวิ น, นัยแต่ความจริงการเรียนกรรมฐานไม่มีอะไรยากเนี่ยที่นี่ถ้ามาเกินเจ็ดวันถ้าไม่มีผลแล้วก็เสร็จแต่ว่าที่วัดทศทูงนี่เขาสอนให้ปฏิบัติตามนี้นะก่อนจะบวชนี่จะต้องได้มโนยิทธิก่อน ฉะนั้นพ่อหนูถ้าก่อนจะบทมาฝึกมโนยุธีให้ได้ไปเสียก่อนอย่าไปหวังเมื่อบทแล้วมันจะไม่มีผลมาทําเท่นได้ก่อนแล้วคารวะที่เขาเก่งเกงเยอะครูที่สอนนี้เป็นค า, ารวะทั้งนั้นอ่ะครูพระสอนพระครูคารวะสอนค า, ารวะเขาได้กันเก่งเกงเมื่อเราได้แล้วเราจะพิสูจน์ตัว เ, เองได้ว่าเราจะบทตลอดได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะ ไอการในภาษามาเรียนศึกษาไม่ถูกให้มาเรียนก่อนบทนี่บทเสแล้วยังกับไอรู้คะถาบรัดาปีที่แล้วเนี่ยจดหมายปีแล้วจะงงไมขึ้นนี่ทันเพิ่งตอบจดหมายได้วันนี้เป็นวันแรกนะเขียน่ไม่ไหวเลยพระนิสดท่านก็มาเคาะเคะบอกว่าเอาตอบเป็นเสียงก็แล้วกันแล้วก็ยอมลงทุนสร้างทรีเทปส่งมาให้เอาไม่เป็นไรวันนี้เราคุยกันถึงห้องนอนเลยดีก็อ่านเอาสาม อ่าอะไรวะถ้าข้อสองทำไม่ได้ผมจะโบสถที่วัดท่าสงได้หรือไม่ถ้าได้เงื่อนไขในการในกา ร, รปฏิบัติเป็นยังไงไอ้วัดท่าสงนี่เขามีเขาสืบประวัติกันนะจะต้องยอมรับทุกอย่างหนึ่งจเจริญ ม, มโนยิทธิให้ได้ก่อนเป็นที่พอใจขอาอาจารย์ผู้สอนนี่อย่าลืมนะและก็รายการที่สอง จะต้องยืนยันรับรองแน่นนอนว่ากิจของวัดเกิดขึ้นเมื่อไร่จะต้องช่วยการทำงานได้ทุกอย่างไม่อ้างเหตุผลเว้นไวแต่ป่วยป่วยทุกคุณภาพนียก็ให้แต่อยู่ดีๆอย่างนี้ผมทําไม่ได้กีฬงกายผมไม่ดีนั้นทาไม่ได้เดี๋ยนั้นทำไม่ได้ยามาโบสที่นี่นะที่นี่ไม่ต้องการคุณไม่ต้องการคุณนางแต่ต้องการคนดีและบริการนี 3, ้สามจะต้องปฏิบัติในพระธรรมวิ น, นัยเคร่งครัด ประการที่สี่ต้องปฏิบัติในระเบียบของวัดให้เคร่งคัดประการที่ห้ามีการพิกขาจารย์อยู่เสมอและประการที่หกสังกรรมมีขึ้นต้องลงเสมอประการที่เจ็ดจะต้องจงเจริญกรรมาฐานทุกวันแม้จะได้แล้วแล้วก็มันยังมีกรณีเยอะระเบียบของวัดนี่มีหลายสิบขอ้อและต้องปฏิบัติที่ไหนอย่างเคร่งคัดทนไหวไหมพวกหนู ถ้าทนไหวมาได้นะถ้าทนไม่ไหวอย่ามาเนะี่ยที่วัดเนี่ยที่วัดนี้เขาไม่เอาใจคนเขาถือความดีเป็นสำคัญนะเขาถือเขาถือความดีเป็นสำคัญไปไอ้เรื่องฉันเป็นลูกคนนั้นชันเป็นหลานคนนี้ฉันมีสตังฉันมีเงินอันนี้นี่อย่าอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจะผิดหวังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า วัดเนี่ยเขามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือคนดีเอาจริงตามเขตของพระพุทธศาสนาเอาเวลามันเหลืออีกสามนาทีเนี่ยเอาว่าไล่ต่อไปจดหมายหายก็ไม่ได้ใครหาจดหมายก็หายยากแม้มันต้องคุ้นไอ้ตอบจดหมายแต่มันยุ่งจริงๆมันจะไม่เ ล, เล็กเลยนะอ้ น, นี่เป็นจดหมายของต่างประเทศเดี๋ยวก่อนยังไม่เอาละเอาในประเทศมันก็หาไม่ก็ได้ใครมันมีที่ไหนบ้างกลับไปดู ถ้าไม่มีก็มาคุยกันหรือว่ไลายสองนาทีแถมท้ายทรงเด็ดแล้ววันหลังก็พูดกันมาอีกเรื่องการสร้างวัดมีคนถามว่าอะไรจะหยุดสร้างสักทีหนึง่งจะลืม่ปการสร้างวัดเป็นศรัทธาเขาบรรดาใจพุทธบริษัทที่วัดนี้เขาไม่มีการไม่มีการเรียระไรถ้าญาติโยมอาจจะตัวประจัยมาให้เรื่อยๆไปก็สร้างเรื่อยๆไป ถ้าญาติโยมเลิกให้มาเลยก็เลิกสร้างในการสร้างวัดนี่อย่าลืมนะว่าดีกว่าการเก็บเงินพระถ้าเก็บเงินไว้เป็นล้านเป็นแสนแล้วก็ถ้าถือว่าเป็นส่วนตัวนี่อาตมาถือว่าไม่ใช่พระนะเพราะเงินที่ญาบ้านให้เข้ามานี่ก็ให้มาด้วยการบูชาความดีพระพุทธเจ้าฉะนั้นเงินทุกบาท ที่ให้รับเข้ามาแล้วจะต้องถือว่าเป็นเงินของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือว่าสร้างฐานวัตถุไว้ในศา ส, สนาให้ญาโยมไปที่อาศัยเวลาจะมาทําบุญสุนทานจะได้มีที่อาศัยเวลานี่ยญาโยมก็ให้มามีหลายคนที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยจเป็นเขตอำเภออินเลียงไงก็ตามจดหมายถามมาบอกสร้างวัดเหมือนกับพระเวรุวันเนี่ย อีหนูได้เคยไปเห็นพระเวรวณมาหรปลาก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่มีคนอยู่สิ้นเปลืองก็ถือเวลานี้เป็นการประหยัดทําให้ประหยัดแมอีหนูเอ๋ยจดหมายเขาเองไม่รู้อยู่ที่ไหนนะอีหนูพูดแบบนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าแหม่เองมันเร็วมากก่อนที่จะพูดอะไรถามความเป็นจริงเขาก่อนสิ นิธธรรมะจรรอังเสยโยคนดีน่ะเขาจะต้องถามเขาค่อยๆกวนก่อนก็ถามก่อนเหตุผลเวลาเอาอย่างนี้กันอะไรกันนี่วันที่ติดสามสิงหาผมมาดูที่ว่าไอ้ที่ที่สร้างไว้เนี่ยมันพอกับคนพักหรือเปล่าจําไว้ก็มีคนหลายคนที่ปลารบอย่างนี้มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ไองานีานหลักผู้หลักใหญ่แต่ไม่มีไม่มีความหมาย โลหน้ามากับแหมเยอะแยะสร้างไปทำไมอยากเอาคนที่ไหนมาอันนี้ขอตำหนิว่าเป็นจริยาหรือความคิดที่เลวที่สุดที่ขาดการไข่คนเวลาหมดเวลานี่เขาเลิกนี่เป็นการแถมท้ายนะใครอยาหาว่าด่าใครก็ได้ใครรับคนนั้นถูกด่าคนไหนไม่รับคนนั้นไม่ถูกด่าเพราะไม่ได้ตั้งใจด่าสวัสดี